เสันโยชนะปะหานสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นปายเพื่อละสังโยชน่9ก้ภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธิที่ภิกษุจเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นปายเพื่อละสังโยชน์อาณาปานสติสมาธิที่ภิกษุจเจริญอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไร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 ทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงเป็นไปเพื่อละสังโยน์สัญโยชนะปะหานาสูตรที่7็จบ